เ, เมื่อกี้นี้ได้ฟังท่านหัวหน้าสพทเขตสี่บ้านผือกุฎจับน้ำโสมนายุงที่กล่าวรายงานให้ผู้ร่วมเข้าประชุมหรือ ว, ว่าผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในวัดของหลวงพ่อวันนี้ หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นเจ้าของสำนักหรือเป็นเจ้าของเจ้าอาวาสวัดป่านาคําน้อยหลวงพ่อรู้สึกว่าเห็นคณะครูบาอาจารย์มาพร้อมหน้าพร้อมตาที่ว่าจัดโครงการได้ขนาดนี้หลวงพ่อนับว่าเป็นอโครงการที่ยิ่งใหญ่เอนับว่าเป็นถือว่าวันนี้เป็นวัน มงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่พวกคณะครูบาอาจารย์ระดับผู้บริหารที่เป็นทรัพยากรหรือว่าเป็นผู้นำของชุมชนที่เป็นครูบาอาจารย์ในแต่ละหมู่บ้านได้มาพร้อมกันถึงขนาดนี้มากขนาดนี้หลวงพ่อว่าหาได้ยากแล้วก็วันนี้ก็เป็นวัน ที่หลวงพ่อว่าเป็นวันมงคลมหามงคลพร้อมกันก็พวกเราจะมาเพื่อปฏิบัติธรรมอันดับแรกก็พวกเราได้ไหว้พระสวดมนต์เก่เสร็จทิ้ลงไปแล้วตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสมมโอธนิยกถาที่พวกเราจะปฏิบัติตนอย่างไรในแนวทางพระพุทธศาสนาหลวงพ่อจะได้ กล่าวหรือว่าจะได้พูดให้แก่พวกคณะสัตยาญาติโยมผู้ปฏิบัติได้ฟังแล้วก็โครงการปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาครั้งนี้ก็มีความหมายอีกเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอีกด้วยเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็กระชุนมายุสูงขึ้นอ ไม่กี่ปีก็ถึงแปดสิบสี่แล้วจะถึงเจ็ดรอบแล้วอันนี้ก็พวกเราในพระสกนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสกนิกรของพระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พวกเราได้ปฏิบัติบูชาพระคุณท่านแล้วก็พร้อมกันก็ไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาติพระบรมราชินีเอก เพราะนั้นพวกเราก็ได้ออกมาปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาพระคุณท่านทั้งสองคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถและ ก, พก็พร้อมกันพร้อมกับพระบรมวงศสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอให้เจริญยิ่งเป็นคู่กับประเทศชาติบ้านเมืองพวกเราถือว่าเป็นผู้เทิดทูนบูชาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คณะนี้ก็ที่ท่าน วานาพงพิศได้กล่าวไปก็คือสํานักงานพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งหนองคายเขตการศึกษาหนองคายเขตหนึ่งและก็สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขตสี่รวมครูบาอาจารย์ทั้งหมดชายแปดสิบหญิงเจ็ดสิบสี่รวมและเป็น หนึ่งรอยห้าสิบสี่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ท่านกระนับว่า ม, มากทีเดียวเพราะเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งหมดพอมานั่งบนศาลาของหลวงพอ่าาอก็เต็มเต็ plus, มบา ง, งั้นตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้เริ่มกล่าวหรือว่าเริ่มแนะนำในภาคปฏิบัติศีลธรรมจริยธรรมเพราะว่าพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะเป็นครูบาอาจารย์ ก็เก่งแน่นในวิชาอีกแขนงหนึ่งคือวิชาสอนเด็กนักเรียนแต่เรื่องวิชาศิลธรรมพวกท่านทั้งหลายหลวงพ่อคิดว่าคงจะสู้หลวงพ่อไม่ได้แต่ถ้าว่าเรื่องวิชาทางโลกที่ว่าสอนนักเรียนแล้วหลวงพ่อก็ยอมแพ้ครูใบอาจารย์เหมือนกันเพราะนั้นพวกเราทุกคนที่ เกิดมาในโลกนี่พูดอย่างนั้นได้นะไม่มีใครจะเก่งทุกวิชาไม่มีใครที่จะรู้ทุกอย่างฉลาดอย่างหนึ่งก็โง่อีกหลายๆลอย่างทําไมจึงว่างโง่หลายหายอย่างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายทานอาหารทุกวี่ทุกวันไม่ลวกขนมอะไรไม่ลวกเนยไม่ลวกอะไรต่อไม่อะไรแต่พวกเราทําได้ไหมอาหารอย่างที่เราทานทุกวี่ทุกวันนั้นทําไม่ได้การที่ทําไม่ได้นั้น เราฉลาดหรือเราโง่เราก็ไม่พูดแต่ตามไม่จริงเราก็โง่นะเพราะว่าเราไม่รู้แต่เราไม่ยอมพูดท่านเองแต่เราทำไม่ได้แต่เราเก่งก็เก่งเป็นบางวิชาบางคนก็เก่งภาษาอังกฤษเก่งคณิตเก่งภาษาไทยอย่างเนี้ยจะไม่จะไม่เก่งทุกอย่างเหมือนกับหมอหมอตาก็ไม่เก่งหมอหูหมอหูก็ไม่เก่งหมอจมูกหมอจมูกก็ไม่กินไม่เก่ง หมอทางเดินหมอทางเดินก็ไม่เก่งผิวหนังหมอกระดูกมีเยอะแยะไปเพราะนั้นวิชาในโลกนี่มีมากมายหลายอย่างเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะได้กล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังว่าพุทธศาสนานสอนอย่างไรมีจุดมุ่งหมายอะไรเพราะหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระชีวิตทั้งชีวิตได้มอบไว้ในพระพุทธศาสนา หลวงพ่อเองพวกท่านทั้งหลายก็คงอยากจะทราบว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อบวชนานมาเท่าไหร่ถึงจะยังไม่ถามออกเป็นคําพูดก็คงอยากจะรู้ในใจเหมือนกันเพราะคนเราเนี่ยเมื่อเห็นท่านแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าท่านมีอายุเท่าไหร่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะแนะนําให้แกศรัทธา ญ, ญาติโยมครูบาอาจาไรย์ได้รับทราบ บ้างเป็นพอเป็นเครื่องรับรู้รับทราวบว่าพวกเราได้มาสู่วัดหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อนี่มาจากไหนบวชเมื่อไรอย่างนี้เป็นต้นนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นชาวมุกดาหารตะกอนขึ้นตอนน่อนครพนมหลวงพ่อบวชเมื่ออายุสิบเอ็ดปีิบเอ็ดิบสองปีพอจบโรงเรียนแขับบวชเป็นสัมมเนณอยู่ที่ ครูเจ้า ก, ก็มุกดาหารอยู่ก่อนลวมปู่ล่าบวชเป็นสั ม, มนเาณอยู่แปดปีจากนั้นก็ครบพระก็ได้บวชเป็นพระเมื่อปีศูนย์ปดปีนี้ก็ปีห้าสองสองันสองันห้า้ยห้าสิบสองให้คณะครูบายจานนับนิ้วมือดูดูซิว่าตั้งแต่ปีศูนย์ปดถึงห้าสิบสองแล้วก็บวกแดเข้าไปอีกเป็นสัมมาณีน ชีวิตของทั้งชีวิตของหลวงพ่อได้ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลายาวนานทีเดียวแปบลบว่าทั้งชีวิตได้มอบไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อได้บวชมาในพพุทธศาสนาแล้วหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรทำมชีวิตทั้งชีวิตจึงได้ทุมเทจึงได้มอบไวถึงขนาดนี้ และหลวงพ่อก็อยู่ในป่ารงพงไพอีกดูแล้วไม่สีวิไลเลยสําหรับพวกเราก็มาแต่พวกเราเคคิดว่าโอ้โหน่าอยู่แต่ว่าคําว่าน่าอยู่ของพวกเราคํานี้แหละแต่เรามาเห็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าเรามาอยู่สักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยพวกเราก็จะคิดไปอีกในในมุมหนึ่งอีกเหมือนกันจะว้าวอ้างว่างเงียบเหงาเศร้าซึมอีกละทีนี้คิดถึงโลกอีกเหมือนกัน แต่ถ้ามาอยู่ใหม่ๆก็เออกระตือือร้นแต่ว่าพออยู่ไปนานๆก็จะคิดอีกในมุมหนึ่งเคยเห็นมาอย่างนั้นแต่หลวงพ่อนี่ยอยู่ในป่ารงพงไพมาแต่เล็กแต่น้อยแปลว่าชีวิตของหลวงพ่อนี่ยอยู่ในป่าเป็นพระป่าเป็นเนรป่าเป็นพระป่ามาตลอดปฏิบัติแบบที่ว่าพระพุทธเจ้าทันว่าอยู่ป่าเป็นวัดอย่างนี้แหละบอกพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไร พระพุทธเจ้าอยู่ในป่าบาเพ็ญอยู่ในป่าแต่สรู้ในป่าและกับปรินิพานในป่าอันนี้เป็นต้นนะอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาตอนี้หลวงพ่อได้มาบวชในพุทธศาสนาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้วหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ศึกษาทั้งคดีโลกและคดีธรรมตาม ภาษาอยู่ในป่าศึกษาธรรมชาติที่อยู่ในป่าเพราะนั้นขอให้พวกคณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ฟังดูซิว่าหลวงพ่อเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรแล้วจะให้คําแนะนำอย่างไรต่อชุมชนและสังคมต่อประเทศชาติจึงจะได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขในการอยู่ด้วยกัน เมื่อไม่นานเมื่อวานวันก่อนมีคณะนายตำรวจที่ท่านเป็นนักเรียนตำรวจที่จะนักเรียนขั้นนายพลว่างั้นจะท่านจะสอบขึ้นเป็นนายพลเป็นผู้ว่าไอเป็นผู้การจังหวัดท่านเขามาศึกษางานแล้วเมื่อท่านเรียนแล้วท่านออกมาพื้นที่คงจะ ทางรัฐบาลคงจะให้ไม่ให้ออกต่างประเทศมั้งยังไงก็ไม่รู้ว่างั้นเถะท่านก็มาทางขอนแก่นอุดรท่านก็มาแวววัดหลวงพ่อประมาณ20่สกว่าท่านแต่ําให้จริงหมู่ของท่านประมาณ90้านะเก้าสิว่าท่านก็แยกย้ายกันไปในสถานที่ต่างๆก็มีท่านเข้ามาในพื้นที่ของพวกเราล้วนแล้วจะเป็นพันเอกพิเศษทั้งทั้ ง, ท, งทั้งนั้นวางั้นพร้อมที่จะเป็นผู้การจังหวัด มีทั้งจังหวัดแพร่จังหวัดพิษณุโลกพิษณุบนจังหวัดตากมีมามากอทนนี้ท่านก็มาหลวงพ่อก็ให้แนวความคิดบอกว่าหลวงพ่อว่านี่นะพวกท่านทั้งหลายท่านนายพลทั้งหลายพร้อมที่จะเป็นผู้บัญชาการหรือว่าเป็นผู้การจังหวัดของแต่และจังหวัดได้หลวงพ่อ เมื่อไปนานเมื่อก่อนหน้านี้ทางสภาพัฒเขามาหาหลวงพอ่อมาพักอยู่ที่วัดหลวงพอ่อแล้วถามว่าจะเขียนแผนสิบนี้จะเขียนยังไงหลวงพ่อให้คำแนะนำไปว่าคือเขาถามว่าท่านถามว่าที่จะเขียนแผนสิบเนี่ยจะพัฒนาอะไรก่อนจะพัฒนาเรื่องเครื่องบินหรือเรื่องลดยนต์เรื่องถนนหนทางเรืองการเกษตร หรือการท่องเที่ยวหรือจะพัฒนาโรงงานในความเห็นของท่านที่ท่านอาจารย์อยู่ในป่าจะจะเขียนในลักษณะไหนหลวงพ่อก็บอกว่าในความเห็นของหลวงพ่อเนี่ยถึงยังไงเน้นเรื่องพัฒนาคนก่อนถ้าว่าพัฒนาคนดีแล้วสิ่งอื่นจะตามมาแต่ถ้าว่าคนที่อยู่ในชาติ คนในชาติของเราคนชาติไทยของเราไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีไม่มีฮิเลโอต ป, ปะถึงพวกเราจะพัฒนาประเทศชาติให้เหลืองอาลามไปด้วยเงินด้วยทองตึกลานบ้านช่องเต็มไปด้วยเงินทองแต่คนในชาติมีแต่อบายมุกเต็มไปหมด กินเหล้าเมายาไม่รู้จักธํามาหาเรียงชฉีพบมีแต่เที่ยวแต่เล่นหมุกมุ่นไปในยาเสพตุกเสพติดการพนงการพนันถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นที่เราพัฒนาตึกลานบ้านช่องเลืองอาลามน่พวกนี้แหละพวกเหล่านี้แหละพวกที่ไม่ได้ไม่รู้คุณค่าเนี่ยละ่ะเขาจะลื้สิ่งเหล่านั้นออกมาขายกินทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะว่า พวกนี้ไม่ได้พัฒนาไม่ได้รับการศึกษาที่ดีตอนนั้นเพราะนั้นต้องพัฒนาคนก่อนถ้าคนดีแล้วมีคุณภาพมีคุณธรรมแล้วสิ่งอื่นจะตามมาตามมาก็อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็เข้ามามันขอร่มเย็นไปด้วย แต่ถ้าหากว่าเราจะพัฒนาแต่สิ่งภายนอกคนไม่พัฒนาคนนี่แหละจะทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ย่อยยับไปประเทศชาติบ้านเมืองจะหาความสงบร่มเย็นเป็นจุกไม่ได้เพราะคนในชาติคือคนคือทรัพยากรชั้นหนึ่งของชาติเพราะนั้นให้พัฒนาคนก่อนหลวงพ่อพูดเมืวานบังก่อนแล้วก็พร้อมการหลวงพ่อว่าให้พวกเราปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม ให้ถูกต้องต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนั้นพวกเราคิดแต่ภายนอกว่าภูเขาต้นไม้ห้วยน้องคลองบึงบางาแล้วก็ที่อยู่อาศัยเคหสถานบ้านที่พักพ้าอาศัยภูมิทัศน์เคหวิทยาอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือสิ่งแวดล้อมแต่ตามจริงก็ถูกต้อง ถ้าพวกเราไปตัดไม้ทําลายป่ามากจนเกินไปก็ทําให้ภูเขาทลายอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินเพราะเหตุใดเพราะว่าทําลายธรรมชาติมากเกินไปทําให้น้ำท่วม เ, เสียหายอันนี้ก็คือทาลายธรรมชาติธรรมชาติก็ทําลายคนผู้ทําเขาเหมือนกันแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพทุทธเจ้าท่านเน้นเข้ามาอีกส่วนในอีกเหมือนกัน ท่านเน้นเข้ามาส่วนส่วนในส่วนบุคคลท่านว่าให้อยู่กับสิ่งแวดล้อมให้ถูกสิ่งแวดล้อมในหลักของพุทธศาสนาธรรทิศทั้ง6ทิศทั้งหแต่พวกเราได้ฟังได้ศึกษากับทิศทั้งสทิศทั้งสทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้แต่หลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพูดว่าทิศทั้งหให้เคารพทิศทั้งห ให้นอบน้อมทิศทั้งหให้ปฏิบัติให้ถูกต่อทิศทั้งหกแต่พวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายปฏิบัติหรือไม่เคารพนอบน้อมต่อทิศทั้งหจะหาความสุขสงบพร่อมเย็นเป็นสุขได้ยากเพราะเหตุใดเพราะเราทําให้ถูกต้องแต่ถ้าพวกเราทําถูกต้องต่อทิศทั้งหต่อสิ่งแวดล้อมในทิศทั้งหแล้วชีวิตของเราจะราบรื่น ในพระพุทธองค์ก็บอกว่าทิศทั้งหกนั้นคืออะไรท่า น, ท, ท, า น, ท, านท่านเทศให้แก่สิงคาลมานบนะในกรุงราชคือคาถาบทนี้หือว่าคำสอนคำสอนกลุ่มนี้ท่านบอกว่าทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาคือพ่อแม่ของเราท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศุล ประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนี่แหละคือทิศเบื้องหน้าพวกเราปฏิบัติให้ถูกแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต่อทิศเบื้องหน้าแล้วออมารดาบิดากับพวกเราเข้ากันไม่ได้เผลอเผอท่านไล่ออกจากกองมอรดกไม่ให้เขาไปใกล้ท่านชีวิตของพวกเราจะหาความราบรื่นงไม่ได้ เพราะเราทำตนไม่ดีเราไม่รู้จักพระคุณของท่านไม่แสดงความกตัญญูกะตะเวทีตาเพราะท่านเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราต้องเทียเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงศุลนอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราทิดเบื้องหลังสามีภรรยาสามีภรรยาคู่ใดก็ตามถ้าปฏิบัติตนไม่ถูกตามทานองครองธรรม สามีก็ออกเอาทําแต่ตามอัธยาใจของตนเองภรรยาก็ออกไปตามตามความคิดตามอยากอยากทําของตนเองแล้วครอบครัวนั้นจะหาความสงบร่มเย็นผาสุขไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะว่าภรรยาก็ออกนอกลู่นอกทางสามีออกนอกลู่นอกทางและจะหาความสงบร่มเย็นเป็นจุกไม่ได้ในครอบครัวนั้นเพราะฉะนั้นปฏิบัติไม่ถูก ถ้าปฏิบัติถูกแล้วใจเขาใจเราสามีภรรยามีหัวใจเหมือนกันเมื่อเราทำออกไปภรรยามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อภรรยาทำออกนอกนอกรูนอกทางเราที่เป็นสามีนั้นมีความรู้สึกอย่างไรเพราะนั้นต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเรามาใส่ใจเขาในการอยู่ด้วยกันอันนี้คือสามีภรรยาปฏิบัติให้ถูกต้องตามทานองครองธรรมอันนี้ก็คือทิศเบื้องหลัง สามีภรรยาทิศเบื้องขวาอาจารย์ครูบาอาจารย์พวกเราต้องเกิดมาแล้วต้องมีครูบาอาจารย์ตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกล้วนแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ของเราทั้งนั้นถึงเราจะเป็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ยังสอนเราให้เป็นครูบาอาจารย์อีกจากนั้นก็ครูบาอาจารย์มีหลายระดับวิครูบาอาจารย์ทำตัดผมบงังเย็บผ้าบางัง แนะนำสั่งสอนทำมาค้าขายบังทำไร่ทำนาทารัว่วทำสวนทำสิ่งที่พวกเราไม่รู้เขาสอนให้รู้ในวิชาอาชี PN านั้นหรือในเรื่องนั้นๆอันนี้จัดว่าเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเพราะนั้นให้ปฏิบัติให้ถูกท่านบอกว่าเวลาเห็นครูบาอาจารย์เข้ามาใกล้หรือเข้ามาในวงของตนเองวงสนทนาของตนเอง ให้ลุกขึ้นยืนรับให้ลุกขึ้นยืนรับเข้าไปอย่คอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถัภด้วยเรียนศิลปะวิทยาจากครูบาอาจารย์ถ้าเมื่อเราเข้าไปหาท่านแล้วตอนรับขับสู้ท่านดีแล้วเราก็ไถ่าถามท่านวิชาไหนที่เรายังขาดตกบกพร่องที่เรายังไม่รู้ท่านก็ได้จะได้แนะนำสั่งสอนให้ชำนิชำนานหรือว่า เกตเละกเกตน้อยท่านจะได้สอนเราอีกอันนี้เรียว่าครูบาอาจารย์ให้ปฏิบัติให้ถูกและกระิดเบื้องซ้ายมิตรสหายคนเราเกิดมาแล้วต้องมีกัลยาณมิตรคือมีมีหมู่เพื่อนมิตรสหายนั้นเราเป็นยังไงมิตรสหายเป็นอย่างนั้นคือมิตรที่ดีเราต้องเลือกครบทิดไม่ใช่ว่าเห็นคนแล้วก็ครบที่เลยอันนั้นเป็นว่าปาประมิตดมิตรชั่วปาประมิตรกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดี เราต้องเลือกคบมิตรที่ดีถ้าเมื่อเมื่อได้มิตรที่ดีแล้วชีวิตของเราอย่างไรหมู่เพื่อนก็ต้องอย่างนั้นไม่หักหน้าหักหลังกันแบ่งผลประโยชน์ทํามาค้าขายด้วยกันมีอะไรก็บอกกล่าวกันด้วยความสัต์จริงมีความจริงใจไม่มีความจริงจังมีสัจจะในหมู่ในเพื่อนที่มิตรเป็นมิตรที่รักของเรามิตรสหายของเรา อันนี้คือเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจในมิตรสหายกิจาการงานก็อาราชการงานเมืองสิ่งไหนก็ตามจะราบรื่นเพราะเรามีมิตรมีผ<ม>ู่มีเพื่อนมีมิตรเป็น ม, มีสหายมากอันนี้คือทิศเบื้องซ้ายมิตรทิศเบื้องต่ําเอาพวกเบาวไพร่แล้วพอคนรับใช้คนงานของเราเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกเราต้องให้อาหารและรางวัน ดูเขาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ดูแลเขาว่าเขาขาดตกบกพ้องอะไรถ้าเรามีน้ำใจกับเขาเขาก็มีน้ำใจกับเราถ้าเรามีเมตตาต่อเขาเขาก็ยินดีช่วยเหลือการงานของเราเพราะนั้นถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกเราไม่มีน้ำใจกับเขาเขาก็ไม่มีน้ำใจกับเราการงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะสั่งหรือว่าเราให้เขาทา มันจะไม่เรียบร้อยเพราะเหตุใดเพราะว่าเขาไม่มีศรัทธาเขาไม่เต็มใจที่จะทําให้แก่เราอันนี้แปลว่าทิศเบื้องต่ำเบ่าวเราก็ต้องทําให้ถูกต้องแล้วก็ทิศเบื้องบนส ม, มณพราห ม, ม, มณ์สมณพราหมณ์ก็คือผู้แนะนําสั่งสอนเรื่องธรรมะอย่างหลวงพ่อเนี่ยจัดว่าเป็นส ม, มณพราหม์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมอันนั้นกผิดนะอันนั้นถูกนะ อันนี้นรกนะอันนั้นสวรรค์นะอันนี้ควรปฏิบัติตนอย่างไรแนะนำเรื่องจิตวิญญาณใไปในทางที่ถูกต้องเรื่องศีลธรรมิริยธรรมให้ถูกต้องอันนี้เรียกว่าทิศเบื้องบนส ม, มณะผลามเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะถ้าอยากจะให้ชีวิตของตนเองราบรื่นไปด้วยดีให้ปฏิบัติให้ถูก ต่อสิ่งแวดล้อมคือทิศทั้งหให้นอบน้อมทิศทั้งหให้เคารพครวะทิศทั้งหถ้าว่าพวกเราปฏิบัติถูกต้องแล้วชีวิตทั้งชีวิตจะราบรื่นเป็นไปด้วยดีจะขาดจะไม่มีอุปสรรคในการเป็นอยู่ทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ํา พวกบบาไพร่พวกคนงานทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์นี่แหละอันนี้ก็ขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทุกๆ ท, ท่านอีกเหมือนกันที่เขามาฟังเข้ามาศึกษาในวันนี้ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติถูกในหลักของพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วหลวงพ่อว่าพวกเราชีวิตทั้งชีวิตก็จะเป็นชริเป็นมงคลตลอดไปนอันนี้หลวงพ่อได้พูดให้แกเจ้าหน้าที่ที่ท่านจะเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็หลวงพ่อก็ให้พาท่านเข้าไปชมวัดวัดของหลวงพ่อตามปกติหลวงพ่อจะไม่ค่อยได้ให้ผู้ใดไปแต่วันพรุ่งนี้ถ้าว่าครูบาอาจารย์ที่มาเมื่อใสบัดทาบุญตับบัดเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามีเวลาหรือว่าอยากจะชมหลวงพ่อก็ยินดีจะให้เดินนะเดินเดิ น, เ ด, นเดินชมวัดของหลวงพ่อได้ เพื่อเป็นการทัศนศึกษาเพื่อจะได้เรียนรู้ถ้าวอกผู้ใดเห็นแล้วก็ไม่ต้องไปเพราะเห็นแล้วแต่ถ้าผู้อยากจะไปอยากจะเห็นว่าวัดวาศาสานานี่ท่านอยู่อย่างไรพระสงฆ์ท่านอยู่อย่างไรอย่างนี้ยพวกเราอยากจะไปดูไปชมก็ได้นะวันพุ่งนี้นะแล้วก็นี่แหละหลักของพุทธศาสนา ที่หลวงพ่อได้กล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษามีหลายระดับมีหลายอย่างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเป็นครูบาอาจารย์อันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ที่สอนเด็กนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์นี่แหละเป็นแม่แบบเป็นแม่ฉบับของลูกของหลานถ้าว่าพวกเราที่เป็น ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีคุณเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วเราจะสอนลูกสอนลูกสอนหลานสอนนักเรียนนักเรียนก็จะมีคุณภาพเพราะนักเรียนก็จะมองครูบาอาจารย์เหมือนกันครูบาอาจารย์บอกกล่าวสอนแนะนําสั่งสอนให้แก่เด็กนักเรียนเออ่ แล้วก็เด็กนักเรียนก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติแต่หลวงพ่อว่าพวกเราน่าจะศึกษานะศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าก่อนที่จะเข้าห้องเรียนหรือว่าก่อนที่จะสอนนักเรียนหลวงพ่ออยากจะให้สอนศีลธรรมจริยธรรมในโรงเรียนก่อนถึงจะเป็นข้อนิดหน่อยก็ยังเป็นเครื่องประทับ จ, จิตใจประทับใจของเด็กนักเรียนอย่างนักเรียนหน้า การอยู่ด้วยกันต้องมีน้ำใจอย่าไปเห็นแก่ตัวจนเกินไปถ้าเราเห็นแก่ตัวไม่รู้จักแบ่งปันไม่รู้จักขยับที่ให้ใครอื่นนั่งมีแต่เห็นแก่ตัวพวกพวกห้านจะเป็นยังไงถ้าทุกคนเห็นแก่ตัวนักเรียนเห็นแก่ตัวทั้งหมดพวกนักเรียนก็จะหาความราบพรื่นไม่ได้เราเห็นมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็นต่างคนก็ต่างอยู่ มันดีไหมอย่างนั้นแต่ถ้าว่าทุกคนมีน้ําใจต่อกันเห็นสิ่งไหนเออเห็นงูนี่ก็ อ, อ้าวโงู่งูต้องบอกเ อ, อเห็นต่อเห็นแตนเห็นแมลงป่องก็บอกแต่ถา้านักเรียนไม่บอกอย่างนั้น่ะต่อไปมันจะไม่บอกเออแล้วก็ให้มันสัตว์เหล่านั้นกัดต่อยซะก่อนในจริงจะรู้เป็นคนโคนไปอันนั้นแปลว่านักเรียนขาดน้ําใจขาดเมตตาเพราะฉะนั้นน้ําใจหรือเมตตาเนี่ย มันจะขาดไปเรื่อยๆถ้าว่าไม่สอนกันเอาไว้นี่แหละอันนี้ก็คือมีการมีน้ำใจต่อกันแล้วก็ให้มีศีลศีลห้าของพระพุทธเจ้านี่นะอย่าฆ่ากันนะชีวิตของเขาของเขาของเราถ้าเราไปฆ่าเขาเขาก็เสียใจนะถ้าเขามาฆ่าพ่อฆ่าแม่ของเราเราก็เสียใจเพราะนั่นลูกหลานให้ระวังอย่าไปทำเนอ้อการฆ่ากัน อนันตรยกรรมห้าในหลักของพุทธศาสนาฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นบาปหนักนะตกนรกนรกไ ม, ม่วันผุดวันเกิดถ้าพวกเราทำอย่างนั้นอันนี้ก็คืออยากจะให้ครูบาอาจารย์สอนอไม่ใช่จะมอบให้แต่ครูศีลธรรมจริยธรรมสอนคนเดียนขึ้นไปหน้าห้องอก็สอนไปสักไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ได้แต่ละครั้งหลวงพ่อวานะควรจะยัดเยียดให้แก่ นักเรียนได้ฟังได้ศึกษาแต่ละวี่แต่ละวันต่างคนก็ต่างสอนบางทีก็มีชารกบงังบางทีกับคุณบิดามารดาบางังบางทีกับคุณของครูบาอาจารย์บงังเราก็ไม่ต้องยกครูของเราอกเนี่ยท่านผ อ, อหรือว่าครูบาอาจารย์ที่สอนพวกท่านทั้งหลายนะถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายไมไ่ได้เรียนได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์แล้วพวกท่านจะพวกนักเรียนจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ยังไงนักเรียนต้อง ได้เรียนจากครูบาอาจารย์จึงจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้เพราะนั้นนักเรียนทั้งหลายให้เคารพครูบาอาจารย์ไว้นะถ้ามีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนไปนะักสถานที่ใดมีแต่ความสงบมีแต่ความเย็นใจแต่พวกนักเรียนแข็งกระด้างไปที่ไหนมีแต่แข็งกล้าวไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่านักเรียนจะหาความเจริญรุ่งเรืองได้ยากนะอย่างพวกนักเรียนไปสมัครงานเนี่ย เมื่อจบไปแล้วเข้าไปกับโดเดทำท่ า, าไม่เคารพคารวะเอเขาผู้สมัครรับสมัครงานเขาจะต้องมองว่านักนักเรียนคนนี้เอถ้าว่ารับเข้ามาแล้วคนงานคนนี้รับเข้ามาแล้วต่อไปจะเป็นยังไงมาอยู่ในสํานักงานของเขาถ้าแข็งทื่ออย่างเนี้ยอต่อมามันจะไม่มีเรื่องมีราวในสํานักงานของเราเหรอ สิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์ต้องแนะนําสั่งสอนคือความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของไทยแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าจะล่อยหลอลงไปเรื่อยๆหลวงพ่อว่านะอันนี้คนหลวงพ่อถ้าจะว่าไปแลยก็สอนมวยให้แกครูได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วว่างั้นแต่ถ้าพ่อหลวงพ่อเคยเห็นเพราะทุกคนทุกวันนี้รู้สึกว่าอาจจะเป็นคนมากก็ได้เพราะการไปการเข้าชิงกาัาอในการเป็นอยู่ เอย้ยแงกันอยู่อย่งกันกินอย่างที่ว่าน่ะแต่แต่ตาไม่จริงก็มเมืองไทยเราก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นก็พร้อมที่จะสอนศีลธรรมจะได้ยธรรมให้แก่ลูกแก่หลานเพื่อได้ฟังได้ศึกษานะหลวงพ่อว่านะนี่แหล ะ, ะในหลักของ พ, พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอสอนทุกคนทุกระดับสมัย ที่พระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีเนะี่ยอยู่ในกรุงสาวัตถีวันหนึ่งพระเจ้าประเสินที่โกศลเข้ามาแต่เช้าเข้ามามากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธองค์บอกว่าโอ้มหาบพิษทําไมเสด็จมาเช้านักวันนี้พระเจ้าประเสินก็กราบทูลว่าโอ้วันนี้ข้าพระองค์ได้ชําระคดีความ ได้ชำระคดีความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีคดีมันชำระยากมากเพราะไม่รู้มันเรื่องมันเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเท็จจริงยังไงแต่วันนี้ชำระชระคดีลงได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ดีใจจะงได้มากราบพระพุทธองค์แต่เช้าเลยวันนี้พระพุทธองค์บอกว่ามหาบพิตรเราจะถาคต ยังอยู่ให้คำแนะนำให้คำสั่งสอนมีแต่เรื่องศีลเรื่องศีลและธรรมเรื่องจริยธรรมที่ดีไม่เป็นสิ่งที่อัจจริย์แต่ในครั้งก่อนนะเ อ, อเ อ, อพระเจ้าแผ่นดินในครั้งก่อนเขาไม่มีพระพุทธเจ้าอย่างเราตถาคตแนะนำสั่งสอนเขาก็ายังเป็นคนดีแนะนำคนดีแนะนำให้พี่น้องประชาชนเป็นคนดีได้ เพระ อ, องค์ไม่ต้องขนาดพระ อ, องค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเราสถาพศก็เป็นพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมให้เกศท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่ไม่เป็นไม่ใช่ของแปลกแต่ข่าวนูน้นที่พระเจ้าแผ่นดินไม่ได้มีอะไรแต่ท่านเกิดความรู้ความฉลาดความรอบคอบขึ้นมาเองอันนั้นแหละหาได้ยาก ตอนนี้ก็พระสงฆ์ก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าค่ะที่พระองค์ที่ว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังรู้ดีรู้ชั่วรู้ดี อ, อรู้ปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบพร่มเย็นเป็นสุขพระพุทธองค์ก็เลยยกเป็นชาดกขึ้นมาท่านบอกสมัยสมัยนั้นพระเจ้าพรห ม, มทัตอยู่ในกรุงพาราณสี ไปเรียนศึกษาจากเมืองนอกเมืองตะกัศิลาพอจบมาแล้วก็ไม่นานพระบิดาก็สวรรคตจากนั้นก็ได้ครองราชพอครองราชเสร็จแล้วพระมหากษัตริย์หนุ่มนั้นก็ปกครองโดยธรรมปกครองโดยธรรมคล้ายๆกับว่าไม่โกรธถ้าเขาโกรธก็ไม่โกรธตอบฆ่าเขาตะนี ก็แบ่งปันให้เขาคือชนะคนตนีด้วยการให้ชนะความโกรธของเขาด้วยความไม่โกรธของเราแปลว่าพระมหากษศัตร์คงนิปกครองโดยธรรมจากนั้นพี่น้องประชาชนทั้งหลายในประเทศเขต ท, ท, ที่พระเจ้าพราณาศีปกครองร่มเย็นเป็นจุขไปหมดแปลว่าสารตุลาการ ที่ภาคสาอายการไปนั่งอยู่ทั้งวีทั้งวันไม่มีคนมาขึ้นศาลก็ลงกลับไปเปล่าทุกวีทุกวันเลยงั้นเถอะไม่มีใครขึ้นมาศาลเพราะไม่มีคดีความแต่นี้อํามาตยาพ์พระเจ้าพระเจ้าพระราชนิสก็เอมันจะมีอยู่ในเมืองเท่านั้นหรือเปล่าเพราะาประเทศของเรา ก, กว้างขวางเราควรจะปลอมตัวเป็นคนไปแล้วไปฟังดูซิว่า ใครบ้างไม่พอใจในการปกครองของเรามีไหมไม่พอใจเรื่องอะไรนจากนั้นค่องางก็ปลอมพระ อ, องค์ออกไปสู่ชนบทนั่งเกวียนนั่งรถม้าไปกับนายสารธีพอนั่งนั่งไปก็ถามที่ไหนก็เป็นยังไงพระเจ้าแผ่นดินปกครองเดี๋ยวนี้ต่างคนก็ต่างเชิดชูบูช า, าโอ้พระเจ้าแผ่นดินปกครองโดยธรรมดีมาก ไม่มีอ น, นันเลยเพราะว่าปกครองโดยธรรมมีคดีความอะไรก็ให้สัง่งสอนแนะนำสัง่งสอนอย่าเอาโทษอย่าถือโทษโกรธเคือ ง, งกันนะมันไม่ดีถ้าเขาโกรธเราอย่าไปอย่าไปโกรธตอบถ้าเขาขี้ต่นีทีเหนียวก็แบ่งปันให้ในสิ่งที่ควรจะแบ่งปันเป็นผู้เสียสละท่านนี้ก็ท่านก็เดินไป จนสุดขอบเขตท่านี้พระญาปเสฐกรุงสาวัตถีไอ้พญากรุงสาวัตถีสมัยนั้นอีกแต่ไม่ใช่พยาปเสนนะสมัยนั้นคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินในกรุงสาวัตถีท่านก็ปกครองโดยธรรมอีกเหมือนกันก่อนรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนในกรุงสาวัตถีก่อนสงบร่มเย็นเป็นสุขอีกเหมือนกันตอนนี้พระเจ้าพระเจ้ากรุงสาวัตถีเนี่นก็อขี่ม้า กับเทียมรถเองเหมือนกันออกมาถามไถ่ราชดรแต่ปลอมตัวออกมานะปลอมตัวออกมาก็ถามว่าเป็นยังไงพระเจ้าเป็นดินปกครองมีความสงบพร่อมเย็นเป็นสุกไหมหรือมีใครมีทุกข์อะไรอยากจะถามดูว่าเป็นมีอะไรเขาก็ไม่รู้หรอกเป็นพระเจ้าแผ่นดินถามไปถามไปไม่มีใครที่จะกำหนิมีแต่คนยกย่องเชิดชูบูชา จากนั้นก็ไปเดินไปกับในขอบคล้าเป็นทางลงทางเกวียนะทางล้อทางเกวียนไ ป, ก, ปนนกับรถของอพญาปัตเสนเนี่ยกับรถของพญาพมทัตกรุงพราณศรีเนี่ยไปเจอกันในทางแคบนไปเจอกันในทางแคบไม่รู้ใครจะหลีกใครทีนี้ทาง พญาปศเสณนี่ก็อนายสารถีพญาปศเสณก็บอกว่าเอ้ยหลีกทางให้เราวะไอ้คนที่นั่งทางหลังนี่นี่แหละพญากรุงสาวัตถีนะอที่ท่านมาเนี่ยทางนี้ก็อ้าวเนี่ยที่นั่งรถของผมนี่กเ็เป็นพญากรุงพาราณสีเหมือนกันอ้าวทายการก็เอายังไงในสองพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยใครมีอายุมากกว่ากัน พอนับอายุก็ไล่เลี่ยกันอีกไม่พอที่จะผู้ใดเหนือกว่าใครจากนั้นก็นับถึงบบบริษัทบริวารประชาชนที่ปกครองก็เหมือนกันอีกใกล้ใกล้กันอีกผลในสุดนับเรื่องทรัพย์สมบัติความนับถือเลื่อมใสของพี่น้องประชาชนก็เหมือนกันอีกแต่ทีนี้พอเอาถ้าอย่างนั้นเรื่องศีลธรรมละ่ะเรื่องศีลธรรมพญาปเสนไอพญา กรุงสวัสดีนั้นปฏิบัติธรรมอย่างไรนายสารถีกับสาธยายแล้ววันเนี้จน เ, เจ้านายของข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยท่านมีธรรมสี่ประการถ้าว่าใครท่านเป็นพวกแกข่งเป็นพวกแข็งถ้าว่าใครแข็งมาท่านก็ต้องแข็งตอบถ้าว่าใครอ่อนโยนมาท่านก็อ่อนโยนตอบ ถ้าว่าใครมีเมตตาท่านก็มีเมตตาตอบอถ้าว่าใครเสียสละท่านก็เสียสละตอบอันนี้คือพญาปเสนอันพญากรุงสาวัตถีท่านปฏิบัติอย่างนี้พญาทางนายสาวัถีกุงอาพาลานันสีก็บอกว่าแต่เจ้านายของข้าพเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเจ้านายของข้าพเจ้าอา ถ้าเขาโกรธมาจะไม่โกรธตอบถ้าเข า, เาไม่ดีมาท่านก็เอาความดีเข้าไปตอบคล้ายๆกับว่าตรงกันข้ามให้เขาว่าท่านคนขี้ตนีมาพระเจ้าไปดินเราให้ทานเสียสละไปเลยเมีคุณธรรมอย่างนี้แต่ท่าน แต่พญากรุงสาวัตถีนะั้นเขาโกรธมาท่านก็โกรธตอบแต่เหนือกว่าเขาเอเขาอิจฉามาท่านก็ชัดเลยว่าไงเหนือกว่าเขาอแต่พอมานายสารถีสองคนมาเปรียบเทียบเรื่องคุณธรรมแล้วบอกว่าเนี่ยเจ้านายกรุงพาลานาสีเนี่เยเหนือกว่าเหนือกว่าเพราะทาได้ยากอคุณธรรมอย่างนี้หาได้ยาก เพราะนั้นสมควรให้พญาปเสณไอ้ให้พญากรุงสวัตถีไอ้พญาไอ้กรุงสวัตถีเนี่ยหลีกทางให้จากนั้นก็ไปถอยรถหาหาหาลีกทางให้จากนั้นพญ า, มมาพมทัตพระราในสีแลกิกกับเป็นผู้เดินทางจากนั้นก็ให้โอวาดโอวาดเออนี่นหะเราต้องมีน้ําใจนะการอยู่ด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ใหญ่ต้องมีเมตตาต้องมีน้ำใจไม่ใช่ว่าเขาโกรธมาแล้วจะไปโกรธตอบ เ, ออเราเอาชนะความโกรธของเ ข, งขงาเพื่อความโกรธของเรามันไม่ถูกนะ เ, เราเป็นผู้ใหญ่เราต้องออใจดีใจเย็นต้องมีต้องมีเหตุผลในการปกครองบริษัทบริวาลเขาจึงจะให้ความเคารพเราแต่ถ้าเราใช้แต่ความอิจฉา ฤศชาโมโหโทโสเขาคีดตณีเราคีดตณีตอบแทนเขามันไม่ถูกนะนีนเมื่อเขาคีดตณีแล้วก็แนะนําเขาเพราะที่จะแบ่งปันเขาไร่กับแบ่งปันง่เฉลือเจือจนนันเมื่อเขาเห็นเราง่าเฉลือเจือจาย์ต่อไปเขาจะเป็นคนดีต่อไปเขาก็มีน้ําใจเพราะเหี้ยเขาเห็นคุณค่าคนที่เสียสละนั้นไปนักสถานที่ใดมีหมู่มีเพื่อนมีพักมีพ้องมีคนนับหน้าถือตาเพราะอะไรเพราะเขาเสียสละ เขาจะเห็นเราจะมองเราแต่ถ้าว่าเราเทำเมื่อเขาขี้ตนีเราขี้ตนีกว่าเทาเขาไปอีกอันนั้นเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้นะอันนี้คือพระเจ้าพรมทัตท่านแนะนาจากนั้นก็ผ่านกันไปพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าในชาตินั้นนายสรถถีของเราคือภาษาลิบุตรนายสรถถีของพระเจ้า กรุงสวัสดีนะั้นคือโมกคลาพระเจ้าแผ่นดินคือพระอานนท์ในกรุงที่กรุงสวัสดีนะั่นคือพระอานนท์พระเจ้าแผ่นดินกรุงพาราณสีพระเจ้าพรมรทัตน์นั่นคือเราสรุปแล้วก็คือคนกลุ่มเดียวกันนะพอไปเจอกันแล้วก็ถามกันถามไทยกันรักเคารพเมตตากันเชื่อฟังกัมกันเนพะราะนั้นหลวงพ่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็ มันเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นกลุ่มเป็นคณะเหมือนกันนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ที่มาในคราวนี้ต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าพวกเรามีพบมีชาติต่อไปภายภาคหน้าพวกเราก็จะได้เกิดร่วมชาติแล้วก็ได้จะได้ไปพึติปฏิบัติธรรมในสำนักหรือว่าในครูบาอาจารย์อาจจะไปเกิดในสำนัก ภาษีอริยะเมตไตรยอย่างเนี้พวกเราก็จะได้ฟังธรรมจะได้ตัดสู้ธรรมในยุคนั้นสมัยนั้นเพราะเหตุว่าพวกเราได้พร้อมพากันปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมุ่งมั่นในศีลแนธรรมเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุ ท, กท่านนะได้มาพบพระพุทธศาสนานับว่าเป็นผู้โชคดีมากหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อบวชเข้ามาอย่างที่หลวงพ่อแนะนำเก่แก่พวกท่านทั้งหลาย ชีวิตทั้งชีวิตหลวงพ่อเอาฝากหวังไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเนนจนถึงเป็นปานนี่แหละหลวงพ่อเสียใจไหมหลวงพ่อภาคภูมิใจอย่างมากพูดอย่างนั้นได้หลวงพ่อดีใจหลวงพ่อภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้บวชในพระพุทธศาสนาเพราะว่าชีวิตทั้งชีวิตอะไรคือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์หลวงพ่อมองเหตุหาแล้วไม่เจอหาความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไร คิดค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเออมันมีแต่ความทุกข์ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นการเป็นอยู่ของนักพจนักวดอย่างนี้เราเอาละมันฉุกขนาดนี้เพียงพอเนียินดีในการเป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ขอขอให้ตั้งอกตั้งใจทําหน้าที่การงานที่ทางพี่น้องประชาชนทางรัฐบาลเขามอบหมายให้ ให้ทาหน้าที่ครูบาอาจารย์หลงพ่อว่านับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่เป็นครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนลูกหลานต่อไปลูกหลานของเราที่ได้รับการแนะนำสั่งสอนจากเรา<ม>เขาจะก็จะเป็นคนดีในเมื่อเขาเป็นคนดีเราก็เป็นครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนด้วยจิตเมตตาเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเขาก็รักเคารพไปนัดสถานที่ใดเขาก็ให้ความ ไว้วางใจนับถือว่านี้คือครูบาอาจารย์ของเราแต่ถ้าว่าพวกเราทำตัวไม่ดีให้ให้เขาเห็นเขาก็จะดูถูกเหยียดยามครูบาอาจารย์อันนั้นไม่ไม่น่าจะให้เกิดในชุมชนและสังคมของพวกเราเพราะนั้นขอให้ฝากไว้กับครูบาอาจารย์ด้วยสรุปแรกก็คือให้เป็นตัวอย่างที่ดีตั้ง อ, อกตั้งใจแนะนำสั่งสอนลูกหลาน สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าไปทําอย่าไปทําให้ลูกหลานเขาได้เห็นลูกหลานได้เห็นคืออะไรครูบาไปอาจารย์ไปกินเหล้าเมายาเมาสัมมาเลเทเมาป่อแปร์ปลักษณะในอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าว่าลูกหลานเขาได้เห็นครูบาอาจารย์นักศึกนักเรียนเขาเห็นเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเห็นลักษณะอย่างนั้นเพราะเห็นว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเขาเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ต้องเป็น แบบเป็นฉบับเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเมื่อเขาเห็นครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพสักการะแล้วนั่นแหละที่นี่เขาจะนับถือเลื่อมใสศรัทธาแนะนำสั่งสอนอย่างไรเขาก็เชื่อถือเพราะว่าครูบาอาจารย์เป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีจริยธรรมที่ดีอันนี้ก็คือการเป็นอยู่เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์แต่พร้อมพร้อมกัน ขอให้ขอให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายกิตส่วนตัวของเราในใจของเราให้คิดไปอยู่เสม อ, อใน จ, ใจิตใจถึงข้าพเจ้าจะรับผิดชอบขนาดไหนจะทำดีขนาดไหนแต่อีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าก็จะต้องลาโลกจะต้องทิ้งทั้งหมดจะเอาอะไรไปด้วยไม่ได้สักอย่าง เ, เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้คิดเป็นภาษาใจคิดไว้ในใจ ทำไมเราจึงคิดอย่างนี้ถ้าเราไม่คิดอย่างนี้ใจของเราจะร้อนถ้าเราใครทำอะไรไม่ถูกใจใจของเราจะร้อนโมโหโท่โศโกธาให้แก่ใครใครเผยเผยโกรธมากเส้นเลือดแตกในสมองอีกต่างหากแต่ถ้าเราคิดไว้ในใจอย่างนี้ในใจของเราอยู่เสมออุณภูมิในจิตใจของเราจะลดลงลดลงอย่างมากเลยยังไงก็ได้ อหยวนวมา่อกี้เถอะไอ้ทีเขาทีเราอ่ไม่อยู่ไม่ถึงร้อยปีต่างคนก็ต่างไปแล้วจะอะไรนักหนาฮะอย่างนี้แหละถ้าว่าเราคิดไว้ในใจอย่างนั้นมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพรา ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ให้ระลึกไว้อยู่เสมอให้ทำคุณงามความดีเท่านั้นหละสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำ ในหลักของพุทธศาสนาท่านเน้นหนักเรื่องหัวหน้านะหัวหน้าคือใจมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนบายาอันนี้หลวงพ่อยกขึ้นมาเพราะเหตุใดถ้าพูดไปยังไงก็ไม่หนีจากหัวหน้าหัวหน้าคือใจใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ า, นนาสำเร็จแล้วด้วยใจในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี่ท่านสอนใจใจเป็นใหญ่ที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษา อยู่ที่โครนต้นโพเมื่อสองพกว่าปี2 5งพห้าอห้าิบปีให้หลังเพราะพระเจ้าไปค้นคว้าอยู่ในป่าตามดําพังค้นคว้าเรื่องของใจนะพทธศาสนานไม่ได้ค้นคว้าอย่างอื่นไม่ได้ค้นค้าคว้าวิชาอาชีพพณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กฎหมายบ้านเมืองการแพทย์การหมอไม่ใช่ไปค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณไปค้นคว้าเรื่องของใจใจนี่มันมาจากไหน มาจากไหนมาเกิดที่นี่แล้วออกจากนี้แล้วมันจะไปไหนแนวความคิดของใจมันคิดเรื่องอะไรเนี่อันนี้แหละพระพุทธเจ้าไปค้นขว้าศึกษาแต่วันสุดสําเร็จที่ท่านได้สาเร็จคือวันเดือนหกเพนท่านบําเพ็ญอยู่หกปีอยู่ในป่าตามลําพังแต่วันนั้นท่านได้สาเร็จก็คือท่านได้ได้ตัดสรุธรทำวันได้ตัดสรุธรำท่านทํำยังไง อันนี้เราควรจะศึกษาอีกเหมือนกันเพราะพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิอย่างพระประธานนั่งเดี๋ยวเนีนะ่ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติสัมปะชัญญะสติสัมปะชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวให้มีความรู้ตัวอยู่ในร่างกายถ้าว่าคนเราถ้าว่าเผลอเผลอ ไม่รู้สึกตัวคิดปงฟุ้งซ่านไปมากๆถ้ามันมากจริงสติมันขาดลอยเพราะสติขาดแล้วเป็นบ้าได้เป็นบ้าได้เนี่เพราะเหไรเพราะสติมันขาดแต่ถ้าวามีสติอยู่กับตัวเนี่ยสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเนี่ยจะไม่เป็นจะไม่เป็นรับประกันได้เลยเนีเพราะนั้นท่านจึงฝึกให้มีสติให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัว กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าหายใจเข้าออกธรรมดามันน้อยไปควรจะบริกรรมด้วยหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่แหละให้พวกเราฝึกหัดเอให้ฝึกหัดให้มีสติอยู่กับตัวเอง การภาวนาเนะี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องของพระนะเป็นหน้าที่ของศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกๆคนจะต้องฝึกเอาไว้ถ้าพวกเรามีสติอยู่ในจิตในใจสติของเราเข้มแข็งถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรมากระทบอย่างแรงอย่างโลคกระทมากระทบอย่างเนี้ยเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกอย่างเนี้ยคำว่าทุกนะ่ะมันมีมากมายหลายอย่างพ่อแม่พี่น้อง คนที่รักของเราเพัดภากจากไปเนี่ยเราก็เป็นทุกข์เลยเราจะทำยังไงถ้าเราเป็นทุกข์อย่างนั้นนี่แหละสมาธิจุดนี้แหละจะแก้ไขไดเ้เมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบเราจะพิจารณาว่าเราจะทุกข์ไปทำไหมในเมื่อเขาก็จากไปเราอีกสักวันหนึ่งเราต้องต้องจากไปเหมือนเขานะ่ะไม่มีใครที่จะอยู่คาฟ้าไปได้เราจะรู้เท่ารู้ทันเราจะมีปัญญาทัน ในเหตุการณ์นั้นๆถ้าคนมีสติอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกสติเอาไว้สติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับนักภาวนาและนักปฏิบัติของพวกเราเพราะนั้นในพวกคณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายหลวงพ่ออยากจะให้ฝึกหัดเรื่องจิตถบริตตภาวนาเนี่ยเรานั่งภาวนาเราจะนั่งเก้าอีกก้ก็ไดเ้เราจะนั่งอ คัดสมาธิก็ได้เราจะนั่งพับเพียบก็ได้แต่อยู่ในมุมสงบถ้าเป็นไปได้วิทยุโทรทัศน์ปิดโทรศัพท์ปิดไว้ก่อนในขณะที่นั่งสมาธิคือไม่เราไม่ให้เสียงมีเสียงอะไรมารบกวนข้าพเจ้าจะนั่งสักสิบนาทียี่สิบนาทีนั่งตั้งนาฬิกาดูก็ได้แล้วก็นั่งกำหนด ล, ลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรพุทธโทร โทรพทรอาจากนั้นอย่าค่อยหลับค่อยนอนทำใจให้สบายสบายทำใจให้พักผ่อนไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เออแต่จากนั้นมาเราก็บริกรรมพุดโธรพุดโทรเพราะจิตของเรามันอยู่แล้วก็ดูจิตทีนี่ดูใจของเราเอาไม่ต้องบริกรรมก็ได้ทีนี่เอปล่อยวางคาบริกรรม ให้ดูใจให้เพ่งกำหนดดูที่ใจเดี๋ยวนี้ใจเราคิดเรื่องอะไรอย่างเนี้ยจากนั้นพอเรากำหนดดูที่ใจใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบนิ่งเออนี่แหละเมื่อจิตสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเออขณะ น, นี้จิตของเราสงบความสุขในจิตสงบนั้นพระพุเทธเจ้าท่านตรัสเป็นพระบาลีว่านาฏิสันติป ร, รังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะนั้นพวกเราทดลองทดสอบดูสิว่ามีความสุขอย่างไรในจิตสงบเรามีแต่ความสุขการหลับการนอนการอยู่การกินด้านได้สิ่งของอันไหนมาถูกใจแต่อีกสักหน่อยแล้วก็มันก็น่แหละผิดหวังไปอีกละก็มีความทุกข์เข้ามาแทนอีก แต่นัตสันติป ร, รังสุ ข, ขังของพระพุทธเจ้าจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเนี่ยมีความสุขจริงจริงจากนั้นเราก็จะรู้ได้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครอีกทีเพราจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายกายกับจิตเป็นคนละอันกันมันแต่มันอาศัยกันอยู่รูปธรรมกับนามธรรมาอาศัยกันอยู่นี่เราเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่าน ปฏิบัติอยู่ในป่าดวงโพลไฟท่านนั่งสมาธิภาวนาไปถามท่านองค์ไหนถามร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันท่านจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเพราะเหตุใดเพราะรู้ด้วยด้วยตนเองเพราะนั่งปฏิบัตินั่งภาวนาจิตใจสงบแล้วความโดดเด่นของจิตใจนั้นมันเด่นแต่ร่างกายก็เห็นได้ชัดแต่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกัน แบ่งก็ทั้งเหมือนกับคนรถกับคนขับรถอย่างนั้นอ่ะถ้าหลวงพ่อพูดมาถึงจิตใจจุดนี้แล้วหลวงพ่อจะแยกจะเทียบอันไหนก็มันไม่ชัดเจนเหมือนกับว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเนี่ยเหมือนกับคนขับรถแต่อาศัยกันอยู่อันนี้จะชัดเจนได้เห็นได้ชัดเจนเพราะนั้นถ้าพวกเรานั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่ากายอันนี้เป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่ง แต่ใจของเราเนี่แหละจะไปเกิดในภพภูมิไหนไปเกิดออกจากร่างนี่แล้วพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในความประมาทถ้าหากว่าคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีทํากรรมชั่วกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมทําไม่ดีอไม่ใช่เป็นอกุศ ล, ลกรรมนะ่ะ อกุศลกรรมคือกรรมที่ไม่ดีคิดฆ่าสัตว์คิดขโมยทรัพย์พอพูดผิดในกา ร, รแล้วก็ดื่มโซราอันนี้เรกายกรรมวจีกรรมพูดเท็จพูดโซเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อพูดโกหกอันนี้แลา ว, วัจีกรรมมนโนกรรมคือความคิด โลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากทํานองครองธรรมอันนี้แล้ ว, วะ่มะมโนกลัมการกระทําทําได้สามทางกายกรรมวจีกรัมมโนกลัมนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทํากลัมออกไปแล้วกรัมนั่นแหละจะตามเข้ามาสู่จิตใจของพวกท่านทั้งหลายในเมื่อพวกท่านทั้งหลายทํากลัมไม่ดีกลัมไม่ดีจะต้องซึมซับเข้าสู่จิตใจเคล้ายๆกับเป็นเครื่องเกาะจิตเกาะใจของเรา ไปเกิดในพบภูมิไหนกลัมตัวนี้จะให้ผลถ้าว่าเราทำกลัมดีกรัมดีก็จะสนองให้ผลไปในทางที่ดีเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็จะเป็นบุคคลที่ดีหรือว่าอาจจะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรมไปที่ไหนก็มีแต่ความสุขแต่ถ้าเราทำกลัมไม่ดีกลัมไม่ดีนั้นจะพาพวกท่านทั้งหลายพาดวงวิญญาณไปเกิดเกิดขึ้นมาพบหน้าชาติหน้าก็เป็นคนทุกข์ยากลาบาก อวัยวะร่างกา ย, ยาพิกลพิการอย่างนี้เป็นต้นเพราะมีมากและเกินอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเกิดมาเป็นคนก็ไม่เหมือนคนแล้วก็เกิดเป็นสัตว์มากมายเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าทำสิ่งที่มันไม่ดีนะอันนี้คือทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้รู้ได้เห็นท่านได้วิเคราะห์ดูแล้วด้วยญาณทัศนของพระองค์เพราะนั้นพวกเรา เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าให้เชื่อเอาไว้ก่อนให้เชื่อพระพุทธเจ้าผู้ท่านวิเคราะห์หูแจ้งตาสว่างเป็นธรรมคาสั่งสอนพวกเราเชื่อไว้ก่อนแต่ถ้าว่าพวกเราไม่อยากเชื่อคำทำทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องวิเคราะห์ด้วยตนเองแต่ถ้าว่าเราไม่วิเคราะห์เราไม่เชื่อไม่เชื่อเฉยๆจากนั้นเราก็ทําตามอําเภอใจทำํำทําอัตถาใจเหมือนกับตาบอดไม่เชื่อ อโคดเชื่อหินไม่เชื่อหนามไม่เชื่อเหวเชื่อบ่ออย่างนั้นอ่ะหลับตาบรรตาบอดมันไม่เห็นเ อ, อแต่เหวเหนามโคดหินนั้นมันไม่หลีกคนตาบอดนะถ้าคนตาบอดไปตกเหวมันก็ตกจริงๆว่าไงเถ อ, อเหวมันไม่อภัยให้คนตาบอดนะอันนี้ก็เหมือนกันบาปกรรมมันจะไม่ให้อภัยแก่คนไม่รู้เพราะคนประมาทเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงแนะนําสั่งสอนว่า อย่าทำเน้อสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทําไปแล้วกลัมไม่ดีนั้นจะตามสนองอพระพุทธเจ้าท่านตัดท่านพูดไว้ในโอวาทปฏติโมวกว่าอักตังลุกตังเสโยปัชชาตปติลุ ก, กตั ง, ยยตตงกรัมชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะกรัมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญเมื่อภายหลัง เ, เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้มาพบพระพุทธศาสนา ได้มาพบทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้คิดให้ใช้ปัญญาไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจการพี่พวกเราได้มาพบพทธศาสนานี้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง อ, อาศัยการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาถ้าพวกเราไม่ไป สู่วัดวาศาสนาหรือไม่ค้นคว้าไม่ศึกษาธรรมะพวกเราจะรู้ได้เป็นไปไม่ได้เพราะหลักของพุทธศาสนาท่านพูดไว้แล้วว่าสุดตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทาจิตใจให้สงบสก่อน ทำจิตใจให้เป็นหนึ่งซะก่อนยังไข่ควรไข้ทบทวนหาเหตุและผลเมื่อจิตสงบแล้วจิตนิ่งแล้วจิตไม่หิวโหยแล้วจิตเป็นหนึ่งแล้วจะพิจารณาอะไรน้อมจิตไปพิจารณาอะไรก็จะเห็นตามความเป็นจริงนี่แหละหลักของพุทธศาสนาท่านพูดไปแล้วในสุดตะมยะปัญญาพวกเราก็จะต้องศึกษาเลยคือสุดตะคือการได้ยินได้ฟังจินตามมยคือเกินจินตนาทบทวนในเหตุผล ภาวนาเนี่ยเป็นหลักของพุทธศาสนานะหลักของพุทธศาสนาภาวนามายะปัญญาเป็นเรื่องของพระหรือว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, กจิตใจได้นั้นต้องภาวนามายะปัญญาก่อนต้องทำจิตใจให้สงบสะก่อนจึงพิจารณาไข้ควรทบทวนตัวนั้นผิดตัวนี้ถูกนั้นคือกิเลสราคะอั น, นังคิคือกิเลสโทสะ อันนั้นคือกิเลสโมหะจะเห็นได้ชัดเจนด้วยสติด้วยปัญญาอไม่ใช่สติปัญญาธรรมดาด้วยมหาสติมหาปัญญาอีกต่างหากแปลว่าใช้สติปัญญาอย่างเข้มงวดที่สุดอหมจึงจะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะลงไปได้นะอันนี้ก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วท่านก็พูดอีกว่ า, านในสงแห่งการฟังรำ ม, มีห้าอย่างหนึ่ง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 แปดหมี่พพระธรรมกันมากมายแอแต่ชุดแท้แต่ครูบาอาจารย์องค์ไหนจะหยิบยื่นให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะพวกเราท่านทั้งหลายก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดถึงพวกเราจะเป็นครูบาอาจารย์ก็สอนในวิชาทางโลกแต่ละวิชาก็คงจะเก่งทุกวิชาก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะวิชาในโลกที่มากมายอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนพระ ในครั้งพุทธการในครั้งประพุทธการในครั้งกัณ น, นุนท่านบอกว่ายท่านพาภิกษุไปอยู่ในป่าอาอยู่ในป่านั่งอยู่ในขอบสระพระพุทธองค์นั่งอยู่ใน อ, อยู่ไม้ประดูลายไม้ประดูใบไม้ประดูกําลังร่วงคงจะเป็นเดือนกุมพามีนาเนี่ยมั้งใบไม้ประดูหล่นลงมาในพื้นดิน พระพุทองค์ก็เอามือพระท่านจะสอนพระเนี่ยท่านจะอุปมาอุปไม้ให้ฟังท่านก็เอามือกวาดแล้วก็กําไม้ประดูขขึ้นมากําหนึ่งใบไม้ประดูขท่านก็ตัดในถ้ำกลางสงฆ์ทั้งห้าร้อยลูปนะดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายพวกราพวกท่านทั้งหลายให้ความ อ, อ, อย่างนี้เป็นฉนยัยใบไม้ประดูขในปฏิพีเนี่ยกับใบไม้ประดูข ที่รรอยูนนทออยท่ที่เรากรรมอยู่ในขณะนี้อใบไม้ประดู่ที่มันร่วงอยู่ที่บริเวณนี้กับไม้ใบไม้ประดู่ที่เรากรรมอยู่นี่อันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์ก็กราบทูลพร้อมก่อนว่าใบไม้ประดู่ในกรรมมือของพระองค์น้อยนิดเดียวแต่ไม้ใบไม้ประดู่อยู่ในตกดนเกลื่อนอยู่นี้มากกว่าพระเจ้าข่าพระพทุทธองค์กอกว่านี่แหละพระสงฆ์ทางหลาย เราตถาคตได้ตัดรู้ที่โคลนต้นโพสยามผูรู้แจงโลกเรารู้หมดทุกอย่างวิชาอาชีพต่างๆเรารู้หมดที่ว่าสยามผูแต่เราเห็นว่าเมื่อสอนไปแล้วทำให้โลกติดด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะเราจึงไม่นำมาสอนเรานำมาสอนเพื่อให้จิตใจของมนุษย์เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่น แล้วก็ปล่อยวางนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายจิตใจก็จะหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสไมมาเวียนไห้ตายเกิดในวัทสงสารนี่แหละคือทรแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ของเราเนี่แหละที่เราเอามาแนะนำสั่งสอนแต่สิ่งที่เรารู้มากๆนั้นเราไม่เอามาสอนเพราะเมื่อแนะนำสั่งสอนไปแล้วโลกมันติดจิตใจมันติดโลกอยู่แล้ว เหมือนกับกาวตราช้างอย่างนั้นนะ่ะมันติดกับโลกอย่างนีแนบแน่นอย่างนั้นอยู่แล้วมันจะถอนขึ้นมาก็ยังถอนยากอยู่แล้วก็ยิ่งไปสอนให้อีกมันยิ่งติดเข้าไปอีกห่มทั้งตัวอีกจะถอนไม่ขึ้นเพราะนั้นเราไม่สอนวิชาทางโลกวิชาที่จะติดอยู่ในโลกเราสอนวิชาออกจากโลกคือทานศีลภาวนาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งภาวนานี่แหละที่จะถอนจิตใจออกจากปัตตสงสาร ไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกเป็นอนันตการถ้าวัตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกแล้วกิเลสราคะโทสะโมหานี่แหละเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายให้มามกบกวนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสารถ้าพวกเราตัดสายเกี่ยวหน่วงเหนียวตัวกิเลสสามตัวนี้ออกจากใจแล้วใจเป็นอิสระ ใจเป็นไทยใจเป็นไม่มีเครื่องอะไรยึดเหนี่ยวไม่มีเครื่องอะไรเกี่ยวข้องเป็นใจบริสุทธิ์นี่แหละที่เรานำทำมะทำคำสั่งสอนมาสอนคือให้ใจเป็นอิสระให้ใจเป็นธรรมธาตุให้ใจเป็นธรมธนธรมไม่ให้ใจมีกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องนี่แหละ ทาคำําสังสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปท่านรู้แต่ถ้าท่านไม่นำมาสอนเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้าจะว่าไปแล้ววิชาของพวกเราที่เรียนมาต่างคนต่างเรียนมาก็คนหนึ่งก็เก่งทั้งหนึ่งคนหนึ่งก็เก่งทั้งหนึ่งวิชาในโลกเหมือนท่านเปรียบเทียบกับเหมือนกับเป็ดนันน่ ะ, ะวิชาเป็ดร้องก็ร้องเสียงดังได้ แต่จะให้เสียงเพาะมันเพาะไม่ได้มันก็เสียงเป็ดอบินมันก็บินได้แตบินเหมือนเป็ดอีกวิ่งก็วิ่งได้เพราะวิ่งเหมือนเป็ดอีกว่ายน้ําก็ว่ายได้เอแต่ก็ไม่เก่งเหมือนเขาอีกเพราะ ว, วิชาของเราเนี่ลักษณะอย่างนั้นอ่ะอไม่มีใครที่จะเก่งกล้าสามารถจริงๆผู้เหนือกว่าเราก็ยังมีถ้าเราเก่งกว่าเขาะเพราะนั้นท่านว่าอย่าไปอวดอ้างวางตัว ให้รู้จักวางตัวให้รู้จักประมาณตนเออความรู้ของเราเนี่ยมันรู้เพียงกลุ่มเดียวคณะเดียวหรือว่าวิชาเดียวที่เด่นนะเนีเพราะนั้นอย่างวิชาอื่นๆที่เราไม่รู้ยังมีมากาในโล ก, กนี้แต่ถึงยังไงก็ตามวิชาในโลกนี่ให้รู้ได้เลยว่าเวลาเรียนเรียนออกไปข้างนอก ศึกษาออกไปข้างนอกเหมือนกับเราไฟฉายไฟฉายเราส่องไปเราจะเห็นเห็นคู่เห็นคนเห็นสัตว์สารสิงห์ต้นไม้ภูเขาเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกมากมายแต่ว่าธรรมะทรรำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ส่องเข้ามาหาใจใจผู้รู้ใจเป็นผู้รู้เรื่องต่างๆถ้าจะว่าไปแล้วก็คือให้ส่องดูว่า ไฟมันมาจากไหนไฟที่มันส่องออกไปข้างนอกมันมาจากไหนจากนั้นเราดับสวิตซ์ตั๊บเรื่องทั้งหลายก็จบนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทิวิชาทางโลกนั้นเราจะส่องไปข้างนอกไม่มีที่สิ้นสุดวิชาขางนี้แล้วยังแขนงแขนงขนาดวิชาแขนงเดียวก็ยังเรียนไม่จบอีกยังมีวิชาอีกหลายแขนงที่เราจะต้องเรียนรู้พอเรียนไปเรียนมาก็ ตายเปล่ายังไม่จบ เ, เกิดขึ้นมาอีกเรียดอีกยังไม่จบไม่มีใครที่จะจบวิชาในโลกมีมากมากมายวิชาอาหารวิชากฎหมายวิชาแพทย์วิชาคณิตศาสตร์อังกฤษภาษาภาษาทุกภาษาไม่รู้วภาษาไหนตัวภาษาไหนอีกในโลกมีมากมายไม่มีใครที่จะเรียนจบทุกภาษาได้เพราะฉะนั้น วิชาทางโลกมีจตเรียนออกไปข้างนอกแต่วิชาทางธรร ม, มะเนี่ยให้ดูเข้ามาหาใจเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามันเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายออกไปจากใจทั้งหมดเนี่ยหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าให้เข้ามาหาจุดนี้แล้วก็เมื่อรู้แล้วก็ใจตัวนี้นะมันไปยุ่งทำไมมันไปยึดไปถือทาไมเอมันไปเกี่ยวข้องทำไมใจ เงื่อ ใ, ใจถามใจตัวเองเถอะนาดกระดูกของเราเออกมาจากท้องแม่แท้ๆมันก็นยังไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่งเขาจะต้องไปเผาไฟทิ้งใช่ไหมใจถามใจตัวเองเถอะในเมื่อกระดูกในร่างกายของเราร่างกายของเราแท้ๆยังไม่ใช่ของเราสิ่งภายนอกละอ่ะเงินคำทรัพย์สมบัตรเริเลือกสวนไรนาวิชาอาชีพ เ, เรือนชาญบ้านช่อง รถลาการเป็นอยู่ศาลาหลังนี้เป็นของหลวงพ่ออินใช่ไหมหลวงพ่ออินว่าไม่ใช่ขนาดกระดูกหลงพ่ออินก็ยังไม่ใช่ถ้าสวนลึกเข้าไปแล้วหลวงพ่ออินไม่รับเพราะเหตุอะไรเพราะกระดูกลงพ่ออินก็ยังไม่ใช่กระดูกหลวงพ่ออินเอากระดูกก็เองก็ไปด้วยไม่ได้ทิ้งไว้ในโลกอีกจะเป็นของเราได้ยังไงเมื่อกระดูกของเราเกิดมาแท้ยังไม่ใช่ของเราอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายมันก็ไม่ฟังอีกแล้วจะเป็นของเราได้อย่างไรนี่แหละ หลักของพุทธศาสนาท่านให้รู้จริงเห็นจริงอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นขอให้ฝากไว้กับทศชายาจวงครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะให้รู้ธรรมะเอาไว้ถึงจะปฏิบัติไม่ได้ก็ให้รู้เอาไว้ว่าหลักของพุทธศาสนานสอนสอนให้รู้เท่ารู้ทันรู้จักการวางตัวเออย่าไปถลํากับกิเลสราคะโทสะโมหะเอยิ่งอพยองพองตนจนเกินไป ให้รู้เท่ารู้ทันให้รู้จักการวางตัวให้เหมาะสมเราเป็นครูบาอาจารย์ก็ทําหน้าที่ครูบาอาจารย์ให้ดีที่สุดเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ทําหน้าที่ผู้ใหญ่ให้ดีที่สุดในเมื่อเราเป็นผู้น้อยเราก็ทําหน้าที่ผู้น้อยให้ดีที่สุดในเมื่อเราเป็นพ่อแม่ของลูกของเต้าเราก็ทําหน้าที่น่าให้ดีที่สุดในหน้าที่นั้นนั้นล่ะคือการวางตัวให้ถูกต้องเพราะนั้น พวกเราทุกๆท่านเข้ามาศึกษาท ร, รมะปฏิบัติที่พวกที่หลวงพ่อได้พูดให้ให้ฟังวันนี้ก็มีลากหลายในแนวความคิดขอให้พวกเราครูบาอาจารย์ทั้งหลายนําไปคิดไปไข้ควรไตรตรองด้วยเหตุและผลสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์กับตนเองแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของพวกเราท่านทั้งหลาย แล้วก็เป็นสมบัติของพวกท่านทั้งหลายเองนะหลวงพ่อไม่ได้ไปแบ่งสันปันส่วนให้ไม่แบ่งแบ่งสันปันส่วนจากพวกท่านทั้งหลายเป็นสมบัติของพวกท่านทั้งหลายเองพวกท่านทั้งหลายเองก็จะมีความสุขความร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีธรรมะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจหลวงพ่อเองจะเป็นผู้แนะนำเป็นผู้สั่งสอนเท่านั้นเองแล้วก็จบนะหลวงพ่อไม่ได้ไปแบ่งสันปันส่วนความสุขนั้นแต่พวกเราทาไม่ถูกทนี้ พวกเราทําไม่ถูกเป็นทําอะไรเป็นอกุศลกรรมอกุศลจิตอสุอกุศลกาย อ, อ, อากุศลวาจาฮอวาจาก็พูดไม่ถูกกายก็ทําไม่ถูกใจก็คิดไม่ถูกเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจพวกเราจะประสบความทุกข์นะความทุกข์จุดนั้นแหละใครๆก็ไม่พึงปรารถนาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านได้มาพบ พระพุทธศาสนาได้มาพบทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดตายแล้วไม่สูญพระพุทธเจ้าไปพิสูจน์วิเคราะห์มาแล้วท่านบอกว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่เมันคนละอันกันร่างกายเนี่แตกตายสลายแน่แต่ส่วนวิญญาณคือจิตใจนั้นถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีจะผลักดัน ไปสู่สุขติไปสู่ความสุขไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาอินพรมได้แต่ถ้าว่าเราพวกเราทํากรรมไม่ดีอกุศลกรรมมากพวกเราอาจจะตกต่ําไปตกนรกมาเป็นเปรตและก็เป็นสัตว์ที่ฉานนานัประการเพราะนั้นพวกเราได้มาพบทำคำําสั่งสอนของผู้เผยเจ้าแล้วให้พยายามสั่งสมแต่คุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราพวกเราจะประสบแต่ความสุข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 ทุกประการเทิน